ขอความจเรจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงบโนยิาณในวันนี้จะพูดเรื่องภาวนาประทานคือการพยายามจเจริญกุศลและการรักษากุศลอันเป็นภาระเป็นกรอบขอบข่ายของสมาวยามะคือความพยายามในทางที่ชอบ จริงเวลานำไปสู่ภาคสนามคือการประพฤติปฏิบัติทั้งความ่าสังเกตได้ว่ามันไปครอบคลุมอรอยิยมรคครบทั้งแปดประการอย่าวันก่อนที่เราพูดถึงเรื่องสัมปทาห้าประการมีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาธรรมะเหล่านี้บางครั้งทร ง, ทรงเรียกว่าเทวธรรม คือธรรมะที่ทำคนผู้ตายไปแล้วให้บังเกิดเป็นเทวดาแต่ในขณะเดีวยวกันเขาก็เป็นเทวดาด้วยจิตคือในขณะที่เราครองชีวิตเป็นคา์วาสรูปร่างหน้าตาอย่างไรวัยจะยังไงฐานะยังไ ง, าา ง, ไ, งไม่สำคัญนะครสำคัญว่าถ้าเรามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ภายในใจเป็นหลักใจเป็นเรือนใจเป็นฐานใจเราก็เชื่อว่าเป็นเทวะที่แปลผู้ประเสริ หรือเป็นเทวดาในร่างของมนุษย์เพราะว่าธรรมะเหล่านี้เป็นเทวธรรมและประยายนามธรมธรมนั่นเองก็ส่งจำแน่แสดงไว้เป็นอนเนกคือในยาตต่างๆมีข้อหนึ่งที่น่าจะพิจารณาทบทวนก็คือหลักที่เรียกว่าวัตบทเจดประการ เป็นมาธรรมเทศนาที่พระเจ้าส่งตอบคำถามของเจ้าลิชวีนามว่ามาลีคือมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่พระเจ้าทรงแสดงเรื่องเท้าสกัดสกะนั่นแหะพระองค์รู้จักเท้าสกัดหรือความเป็นมาของเท้าสกัดหรือเปล่าหรือว่าเป็นการแสดงเราตามข่าวเล่าลือทั้งหลายพระเจ้ารับสั่งว่าพระองค์รู้จักเท้าสกัด และธรรมะที่ทำให้เป็นเท้าส ก, กะเรากวรับสั่งเล่าถึงความเป็นมาว่าเท่าส ก, กะยาวนะแต่เราจะเอาเฉพาะธรรมะคือหลักตรงนี้เป็นหลักที่น่าคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยมันออกจะขาดแคลนแล้วก็มีปัญหาในภาคสนามอยู่เป็นอันมากท่านจำได้แสดงไว้เป็นเจ็ดข้อแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นหลักการปฏิบัติ ในการบริหารตนบริหารคนนั่นเองหมายความว่าปฏิบัติพัฒนาตนจนสามารถปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับคนอื่นและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นโดยปกติสุขที่วันก่อนยังมองระบบการศึกษาที่เราไปเรียนเข้ามาเวเ น, นียคณะปฏิรูปไอ้พวกปฏิรูปการศึกษาเนี่ยก็ไปเรียนจากฝรั่งมาเรียโคมสกูลเนี่ยคือศึกษากันที่บ้าน แล้วก็เป็นการต่อสู้กันมากในโอกาสต่อไปเนี่ยโดยจะนว่าในโฮมส ก, กูลเนี่ยจะออกมาเยอะแต่ปัญหาสําคัญว่าเด็กเนี่ยมันเป็นสมาชิกในประชาคมโลกอย่าน้อยเธอก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นถึงเธอไม่เคยรู้จักเนี่ยและจะต้องเกี่ยวข้องอย่างสร้างสารรค์ด้วยแต่แมนมาเอาตัวไปหอด คืออยู่ในแวดวงของพ่อแม่เนี่ยมันก็อยู่อีกแบบหนึ่งแต่ว่าที่จริงคนเรานั้นจะต้องมีลักษณะการช่วยตัวเองจะมาสังเกตได้รับการรัฐนาไปบรรยายปัจฉิมานิเทศภู้เนติบัณฑิตนะอย่างปีนี้ก็แปดร้กว่าปีที่แล้วก็สีกรกว่าบางปีก็พันกว่าเนี่ก็ไปมาหลายปีแล้ว ว่าเราสอบถามสติในเป็นปัญหาที่น่าคิดนะฮะเป็นเรื่องที่น่าศึกษาแต่ว่าเราเห็นภาพอย่างนั้นปรากฏว่าเป็นนักศึกษารามเนี่ยเป็นเนเป็นนิติาศาสตร์รามแล้วก็มาเรียนเนเนี่ยเยอะมากก็เจ็ดสบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วว่าทำมาเราเองวัยโครงสร้างการเรียนแบบรามเนี่ยมันเป็นการฝึกปรือสอนคนให้ช่วยตัวเอง ให้แก้ปัญหาเฉพาะนานโดยตัวเองให้รู้จักคิดรู้จักทำรู้จักตัดสินใจรู้จักเลือก่ะพฤติปฏิบัติใคยทำได้ก็ลดไปใครทำไม่ได้ก็พ่ายแพ้ไปเป็นเรื่องดีต้องรับผิดชอบตัวเองแลวโครงสร้างเหล่านี้ถ้าเรามองย้อนไปเมื่อห้าหกสิบปีที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าแนวธรรมศาสตร์คือแนวพวกขาบอทั้งหลายเนี่ยก็จะเก่งมากเพราะเขาเรียนมาจากการฝึกปือภาคสนามโดยตัวเอง เก้าอี้ก็ต้องแย่งกันเข้าวหมาทลายก็ต้องแย่งกันอะไรแต่และสารพัดเลยนะทําให้ช่วยตัวเองแล้วก็ต้องเอื้กเฟื้อคนอื่นช่วยเหลือืรอกูลกับคนอื่นเป็นลนักษณะการสร้างสังคมใหม่ขึ้นมาแต่ววันี้ออกไปก็กลายเป็นพวกเป็นเพื่อนฝูงกันไปตั้งไปสมาคมไปอะไรอะไรกันเนี่ยมาในการศึกษาในแนวโมสกุลเนี่ย แต่ว่าของพลังเนี่ยเวลานี้เขาเริ่มไม่มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนเนี่ยทำงานบริการสาธารณชนมากํำหนดเป็นชั่วโมงซึ่งก็อาจจะได้นะฮะในมุมหนึ่งแต่ที่จริงชีวิตมันสลับซับซ้อนมากกว่านั้นปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาในด้านของครอบครัวกับสังคมคือเรากับครอบครัวและสังคม ในฐานะที่เราเป็นลูกหลานของครอบครัวแล้วก็ของสกุลในขณะเดียวกันเราก็เป็นสมาชิกของสังคมเพราะแนวแนววัตถบทเนี่ยถ้าเรามองดู้ให้ดีว่าคือการสร้างปัจเจกชนแต่ละคนขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เป็นบุคคลที่ดีและเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพสามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นนิจแต่ก็สร้างสารรค์พัฒนา ก็แรกต้องใช้คำว่ามาตาเปติพลังชนตุงคือเลี้ยงดูอุปถาบำรุ ง, รงมารดาพิดาปัญหาใหญ่นะฮะไปดูข่าวคราวในวันแม่แล้วเนี่ยมันก็สะท้อนภาพไปหลายมุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมุมที่บางแคนะเป็นมุมที่ดูแล้วก็ฝรันะฮะไปใจก็สลดตด ถ, ถว่า ทำไมลูกเด้าในปัจจุบันจึงเป็นอย่างนั้นก็ไปก็ไม่รู้ทั้งๆที่ศึกษาเรียนรู้กันมาเยอะการเรี้ยงดูบัลดาบิดานะั้นมันเกิดขึ้นจากสํา น, นึกกตัญญูกัตะเวทีต่อบุปผากรีผู้ให้ชีวิตให้กําเนิดแก่ตัวเองมาให้ความเป็นคนแก่ตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเชื่อมโยงมากับพ่อแม่นะฮะหมายความถ้าพ่อแม่ไม่ให้ชีวิตเราทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นแก่เราไม่ได้แม้แต่เรายังมีไม่ได้เลย เราไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องจากเราแร้แม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังมีไม่ได้คือเกิดมาไม่ได้เดีมีเครเล่าให้ฟังว่าเวลาเนี้ยจะพยายามถามเด็กเวลาไปรวมเด็กเนี่ยก็ไปอยู่บ่อยตัวนหนึ่งก็ประมาณสามสี่ครั้งนะ น, นะไปขึ้นไปทางอีสานใต้ที่จังหวัดโคราจังหวัดโนโครราชสีมาเนี่ยเราตั้งศูนย์พัฒนาจิตของโยชนขึิน ที่วัดเชิงเขานะฮะชื่อวัดว่าปู่แก้วของหลวงพ่อพุธแล้วก็เราก็ตั้งปัญหาเด็กคิดว่าให้หนูคิดดูนะคิดแล้วไม่ต้องตอบแล้วก็ตอบใจตัวเองให้ได้คือเร่งเนี่ยพ่อแม่เขาแต่งงานกันแล้วเนี่ยเขาไม่มีเราก็อยู่ได้ไหมสองเราเนี่ย ถ้าไม่มีพ่อแม่เราเกิดมาได้ไหมสามถ้าพ่อแม่เราไม่เป็นคนเนี่ยเราจะเกิดเป็นคนได้ไหมแล้วถ้าเป็นเด็กอายุแถวมอสามมออะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็จะทอดไปอีกข้อหนึ่งว่าถ้าพ่อแม่เราเป็นแนวเนี่ยเราจะเกิดเป็นคนได้ไหมแต่ก็แม่เด็กตอบนะฮะเดี๋ยวให้คิดตัวเองเพื่อคนได้สนะว่าทุกอย่างเนี่ยเรามาจากท่าน เราก็เป็นส่วนหนึ่งของท่านเพราะเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเนี่ยต้องเลี้ยงท่านตอบช่วยแบ่งเบาภารกิจการงานของท่านพยายามดำรงวงศ์สกุลทำตนในเหมาะสมแก่การเป็นทายาทของสกุลเหมาะที่จะรับทัพยระโดกของสกุลต่อไปแล้วก็เมื่อท่านตายไปแล้วก็ทำบุญที่กุศลส่งไปให้นี่เป็นสูตรเลยนะ พระเจ้าทรงแสดงไว้เพียงเพียงห้าข้อทั้เนี้ทุกแห่งแต่ถ้าเราดูกรอบในการปฏิบัติแล้วมันกว้างใหญ่ไพศาลเกิดอนะแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยทำได้ก็บุญแล้วนะเราสังเกติ้งการนำบงส ก, กุลเราพลาดนิดเดียวนะฮะทำให้ส ก, กุลเสื่อมเสียไปทั้งส ก, กุล มันแต่ข้อจริ้วเจ้าจะสอนนักอยูห้าข้อแต่ว่าแต่ละข้อเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เกิดความดีเราอื่นขึ้นอีกเป็นนั่นเอกันนั้นและการต่อไปกุเรชัถาประจายินนังคือแสดงความเคารพนับถืออ่อนน้อมเชื่อฟังให้ความเคารพยำเกรงต่อผู้ใหญ่ภายในสกุล โดยพื้นฐานของสังคมที่ละเมียดละไมจริงๆเนี่ยเราต้องนับตั้งแต่รุ่นพี่ขึ้นไปอะนะฮะรุ่นพี่ขึ้นไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็าตามแม้แต่เขาเป็นลูกพี่นะฮะลูกพี่ซึ่งบางทีก็ยังมีความรู้สึกขำๆมาน ะ, ะแต่วันนี้ก็คือก็คือธรรมชาติอย่างเด็กเกิดมาเองบางทีขนาดหน้านะฮะน้องอลูกของตาเลยแล้วก็มาสอนหนังสือเขา ก็เป็นลูกศิษย์เราเป็นถามมณเนีย์เนี่ยเขาก็เป็นลูกศิษย์สอนหนังสือแต่จริงเราเกรงใจเขาอะเขาเป็นหน้าแต่ว่าเขาก็เด็กแล้วบางทีพวกรุ่นพี่เราก็อุ้มเขาอะ่ะแต่เราก็เกรงใจเขาวเราก็นับถือเขาวทั้งๆัที่เขาเด็กเด็กมากเด็กเด็กจนขนาดเราสอนหนังสือก็แล้วกันไอ้นรื่ก็คือความรู้สึกที่เห็นว่ามันได้รับการสั่งสมอบรมบ่มเพาะกันมาแล้วก็มีความเขารู้สึกเคารพจำเกรงกันอย่างนั้น เราก็เรียกพี่เด็กน้องกันบางคนก็อายุน้อยกว่าเราตั้งเยอะนะฮะเป็นเด็กตอนเด็กเรายัางอุ้มเข้ามาเลยแต่เราก็เรียกพี่เข้ามาตั้งแต่โนทนเหมือนกันนั่นก็คือมีลักษณะที่จะต้องอาศัยการปลูกฝังการอบรมแล้วก็เขาเองนะฮะเขาก็วางตัวเป็นพี่เป็นหน้าเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราแต่ละชั้นขึ้นไปในวงศาขณาดญาติเนี่ย คามคิดในปัจจุบันในค่อนข้างขับแคบแม้แต่ความมักความมักครอบครัวเนี่ยมันก็แคบมันไปเยอะถามเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถามครอบครัวคืออะไรเนี่ยเธอตอบพ่อแม่ลูกเราก็ท้อมกันนะไปยินแล้วก็ท้อเหมือนกันกว่าเออทําไมคิดกันแคบแคบอย่างนี้ก็ไม่รู้ที่จริงเนี่ยอย่างนึกถึงออโครงสร้างของการประหานเก้าวชั่วโคตรของจีน มันก่อนเองก็ไปประเทศจีนมาแล้วก็สอบตามก็สงสัยมานานไอ้เก้าโชวโคตดเอาคนจากไหนประหารแราวก็เราเจ็ดโชวโคดหนึ่งก็หาไม่คยไหวยูแล้วนะคืนับจากเราเป็นตรงกลางแล้วขึ้นไปข้างบนสามเนี่ยก็คือรุ่นรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นทวดแล้วลงไปข้างล่างในรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนจะไหวหรอเอาคนจากไหน แล้วก็บอกว่าเขาไปนับ เ, เพื่อนกับนับครูบาอาจารย์กันไปด้วยแล้วก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยเราทุกข์ด้วยกันสุขด้วยกันโดย ก, ดกฎกติกาของสังคมเนี่ยวเวลาทําไม่ดีนเนี่ยดึงญาติพี่น้องให้เดือดร้อนแบเป็นพวนเป็พวนเลยแต่พอเราดีจะดีคนเดียวมันก็ไม่ยุติดทำอะ่พะพระพุทธเจ้าจะมียาตถาจริยาทรงสงเคระยาะห์ญา ไห้ความสําคัญแก่พระญาตทั้งหลายทั้งท่านที่พระองค์เป็นศาสดาของเตวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครแต่พระญาก็คือพระญาติแหละมันจิดกันโดยกําเนิดเกิดมาเราก็เป็นญาติกันแล้วผลญาติสัตว์ประพฤต์ตนอ่อนน้อมท่ตนต่อญาติแสดงความเป็นมิตรต่อญาติของตนข้อต่อไปก็เรียกว่าสั่นหงษ์สกิจและสัมผัสสังคือเจรจาถ้อยคําพูดกับปักผู้ใหญ่ ผู้กระใครกระตานะฮะมันต้องพูดประจีที่สุจริตอ่านอ้อยตาหวานลิ้นสิ้นสากแ้วลมปากหวานหูไม่รู้หายถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรักเป็นคนรักรถถอยร่อจิตพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์ก็พูดจาเพราะว่าจานั้นจะต้องไประอ่อนหวานแล้วก็แสดงให้เห็นเต็มการให้เกียรติยกย่องในความเคารพยาเกรง พอท่านหล่านั้นแม้แต่กันเด็กกันเล็กก็เหมือนกัน น, นะฮะเกยพูดจากันดีๆไม่มึงไม่เองไม่อะไรแต่ไรแต่ก็บางทีมันก็แลกเหมือนกันอย่างามาเองอย่างนึกถึงตัวเองนะตั้งแต่เป็นเด็กนี่พูดมึงกูไม่เป็นไม่เป็นจนมาตั้งอายุเกือบยี่สิบแล้วเราพอสังคมกว้างขึ้นเนี่ยไม่ไม่ได้ยินโคลนพูด น <athletes> ิ่มนวลกับเราอย่างนั้นอย่างนี้น้องอย่างนั้นน้องอย่างนี้พี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้มันก็เราอยู่ในวงญาติอ่ะมันก็พูดอย่างนั้นป้าอย่างนั้นลุงอย่างนั้นยญาอย่างนั้นกทั้งพูดก็ต้งพูดอย่างนี้คือใช้ใช้ใช้ชื่อตัวเองเนี่ยใช้ใช้สถานภาพตัวเองเนี่ยเป็นสรปนามอ่ะแล้วก็ไม่มีใครเรียกไว้มึงกูกับเราเราเลยพูดไม่เป็นพอไปอยู่สังคมข้างนอกบางทีก็เลยก็จําเป็น แล้ก็หลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงนะฮะเราก็ไม่เคยพูดว่าเราได้รับการปลืออบรมกันมาอย่างนั้นเลยก็ไม่ถนัดอะ่ะไม่ถนัดเจอใช้มึงใช้กูเนะี่ยก็ไม่ถนัดทีจริงมันเป็นคําไทยนะะเป็นคําไทยแท้แล้วไม่ใช่ยาวคายอะไรเพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นด้านนั่นเองแล้วก็เปรย์สุนยับปะหายหนังคือต้องงดเว้นการพูดจาในลักษณะยุไ้ลรำตามไปร่วมเพืส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกเล้าชาน นำความข้างนี้ไปบอกข้างโ น, น้นนําความข้างโน้นไปบอกข้างนี้เพื่อมุ่งหวังให้คนสองฝ่ายเนี่ยทะเลาะ ก, กันนี่ข้อแม้นะฮะต้องมุ่งหวังให้เขาทะเลาะ ก, กันไม่ใช่เราทําหน้าที่สื่อสารบอกกล่าวในเรื่องเหตุผลต่างๆถือเจตนาต้องเป็นเจตนาร้ายเพราะว่าวาจาตามหลักเนี่ยเขาเรียกว่าเมตตาวาจาหมายความเราจะพูดวาจาประเภทอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าต้องพื้นฐานจิตเนี่ยต้องมีเมตตา เมตตาต่อผู้ฟังเมตตาต่อคนที่เราพูดถึงแล้วก็เมตตาต่อคนที่เราพูดด้วยแล้วก็เมตตาต่อคนที่เราจะสื่อสารไปถึงเขาคือเขาจะต้องได้รับประโยชน์จากการฟังในเรื่องเหล่านั้นเพราะฉะนเมตตาวาจาเนี่ยมันจะเป็นฐานเป็นฐานในการพูดเจตวการพูดธรรมะอย่างเงี้ยมันก็เมตตาถึงผู้ฟังเป็นเกณฑ์ว่าผู้ฟังจะได้อะไรบางทีถ้าเราพูดธรรมะสูงเกินไป เราเองก็ขึ้นไม่ถึงนะฮะเราเองก็ ก, กล่าวไปไม่ถึงแล้วผู้ฟังก็เรียกว่าต้องปีนันไดฟังมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมามันก็มองไปที่ตัวประโยชน์ซึ่งเขาจะได้เพราะแนตวตวเนี้ยมันพูดกับคนกับคนนะระวังคนกับคนเนี่ยคนกับคนเนี่ยทำยังไงว่าถ้าเขาไม่สามาัคคีเนี่ยเราส่งเสริมให้เขาเกิดสามัคคีกันแต่เขาสามาัคคีกันแล้วเนี่ยทำยังไงช่วยรักษาแล้วช่วยกระชับให้สามัคคีกันยิ่งขึ้น แล้พเขาสามมาคีกันแล้วมีค้าจะแตกแยกเราก็พูดประสานในเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันก็แสดงว่าเจตนาเราดีต่อผู้ที่เราพูดด้วยและพูดถึงที่จริงธรรมะปฏิบัติเนี่ยถ้าเรามองดูให้ดีมันสะท้อนจากจิตนะฮะปัญหาว่าเราคิดยังไงล่ะถ้าเราคิดชอบอย่างอืง่นมันก็ไปได้หมดอะ่ะเท่าไรก็ได้ เขาถ้าคิดชอบแสดงว่าเรามีความเห็นชอบการที่เรามีความเห็นชอบก็ทํำให้เราคิดชอบและต่อไปจะพูดจะทําจะคิดจะเกี่ยวข้องอะไรกัใครมันก็ชอบไปหมดอะในกระบวนการของหรือมรรคผลแต่ ป, ประการมัชเชระบินเยหยุดต่างคือคือจัดความเสนีมณฑินคือความเสนีเนี่ยแล้วลองสังเกตว่าความเสนีเนี่ยมันมีโมหะเป็นฐานในกิเลสแต่ไม่ต้องกลัวหรอแต่ว่า จริงๆแล้วมันบางทีที่เราไม่ยอมให้เนี่ยไม่ยอมสงเคราะช่วยเหลือคือกูลคนอื่นเนี่ยพอเราไม่ชอบเผาก็แสดงว่าโทสะเนี่ยบางบางทีก็ไปเหตุเราสนี่ได้แต่ทีนี้บางทีเราหวงเราเสียดายของนั้นเราไม่อยากให้ใครก็แสดงว่าความสนิทเ่านี้บางทีก็เกิดมาจากโลภะก็ได้เกิดจากโทสะก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยที่จริงมันเป็นอาการของโมหะ ถ้าฟังเคยสังเกตนะฮะสิ่งอะไรก็ตามที่เราพยายามครอบครองเป็นของเราเป็นเราเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยเราไม่ได้ครอบครองจริงในสุดเราต้องทิ้งสิ่งเหล่า น, นั้นไปพ้นทิ้งของเราเอาไว้ในโลกนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะบางทีเนี่ยวันก่อนเนีใครเล่าแต่มันก็ค่อนข้างสยดสยองเกินเหตุเกินผลไปหน่อยนะ ก็บอกว่ามีคนไปรื้อศพออกมาจากหลงเพื่อเอาสตังในปากศพก็หาโหดมากไปหน่อยแต่ก็แสดงอะไรให้เยางนะว่าโ ล, วโลกวัตถุทั้งหลายเนี่ยที่เราครอบครองเป็นของเราของเราของเราเนี่ยมันไม่เป็นของเราจริงแล้วสุดเราจะต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปแต่สิ่งที่เราไม่คิดจะครอบครองคือเราละ เราบริจาคเราสงเคราะห์เราให้คนอื่นยัางในโอกาสต่อไปเนี่ยมันมีความจำเป็นมากจริงๆที่เราจะต้องช่วยเหลือจะต้องสงเคราะห์น ก, การกันเพรคนจะมีปัญหานี้เยอะเยอะแล้วก็บางทีก็อาจจะถึงลมทับกันไปเลยก็ได้นะครับเพราะการสนีเนี่ยมันเป็นบนทินของใจเฉย คือมีของเป็นนันมากในบางเรื่องเนี่ยคืออย่างแมต่ที่กุกติกอตมาเองเนี่ยมีหนังสือนึกว่าเป็นหมื่นเนี่ยนะหนังสือก็อที่เขมีแต่หนังสือทั้งกุติทั้งสองชั้นเนี่ยแต่เป็นหนังสือวิชาการอ่ะคือเขาขอรับบริจาคให้โองเรียนเล็กน้อยทั้งหลายเนี่ยเราเราไม่ยังไม่พร้อมจะบริจาคคือไม่ใช่เ ร, เ, รเราเราเราจะหนีแต่ที่ยังก็เตรียมไว้จะ สร้างเป็นห้องสมุดของสูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในโอกาสต่อไปนะแล้วก็จะให้ห้องสมุดทั้งหมดหรือปัญหาสาคัญว่าบางทีเรามองไปที่ประโยชน์ว่าอยู่ในที่บางแห่งเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์เช่นว่าส่งไปให้เด็กกลุ่เรียนบ้านนอกนี่แกไม่อ่านหรืออย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในกลุ่มไหนล่ะกลุ่มต้องเป็นเรื่องวัดเรียนเป็นวิทยาลัยของ วุฒศาสสนาเป็นอะไรตร่อะไรเนี่ยหนังสือแนวอย่างนั้นมันก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าโดยใจจริงแล้วก็ไม่ได้สนิทแต่างตามไม่เห็นว่ามาในแจกหนังสือเยอะปีๆเนี่ทางหนังสือแจกเยอะแต่ว่าทําให้หนังสือข่าวกลับมาหาเรานี่เยอะเดือนเดือนนี่หลายเล่ม น, นะฮะว่าหนังสือมันมันมันมันจะเข้ามาไอ้ค่าเออเราเราทําบุญกับหนังสือแล้วก็หนังสือมันก็เข้ามาหาเรา เพระในสิ่งที่เราไม่ครบครองเนี่ยมันยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่องแปลกยิ่งให้ยิ่งได้ฮะยิ่งไม่ให้ยิ่งไม่ได้ส่วข้อต่อไปก็คือสัจจะสัจจะก็คือความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความตรงความซื่อตรงความซื่อสัตย์แสดงถึงความจรงิงทางกายทางวาจาทางใจออกมา ปัญหาเรื่องสัจจะเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่นะฮะเพราะว่าในปัจจุบันถ้าเราดูแล้วมันขาดแคลนคือครูบางทีพูดแท็ต่อยืดๆนั่นเองคืองงเลยนะฮะบางทีพูดกับเขาเนี่ยเรางงเลยและวทำไมแท็กันง่ายได้ขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าคนมันขาดสํานึกที่จะรับผิดชอบต่อคุณภาพของตัวเองเกียรติยศศักดิ์ศรีของตัวเอง จนขนาดเขียนรัฐธรรมนูญให้คนอื่นช่วยคุ้มครองศักดิ์สิทของตัวเองให้แล้วหลบที่สุดเลยนะศักดิ์สิทของมนุษย์สิทธิเสรีภาพจะรับการคุ้มครองศักดิ์สิทตัวเองเนียคุ้มครองตัวเองไม่ได้นะฮะเกยจะให้คนอื่นมาจะคุ้มครองให้ไม่รคุ้มครองได้ยัง ไ, ไงกันกันกนอไม่ออกเพราะาสัจจะในที่จริงมันเป็นเกียรติยศเป็นศักดิ์สิทคนจะได้เกียรตกิก็เพราะความศัตว์เนี่ย จะรับการยกย่องยอมรับนับถือชดชูอ ย, ย่ังไงก็ตามก็พอสัจจะแล้วก็ครอบนำความโกรธได้คือไม่ถึงก็ห้ามโกรธเนะี่ยระดับวัตบุตรเนี่ยเป็นระดับจินธรรมจัญญาระดับครอบครัวสังคมที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกันว่าคุณอาจจะโกรธแต่ว่าทำยังไงว่าให้คุมความโกรธเอาไว้อย่าถึงก็แสดงออกมาไปเจอไปเจ อ, เจอน่าเกลียด เกาเล่า ร, ารุนแรงหยาบคายกระโชกโอหากเนี่ยมันยังไงยังไงมันก็ดูแล้วก็ไม่น่าดูไม่น่าฟังเนี่ยนี่เป็นหลักธรรมะเที่ยมาอย่างเทศที่วัดเนี่ยเอาเทศบ่อยๆนะพอรู้สึกมันขาดแคลนหมดเลยทั้ง6ข้อทั้งเจ็ดข้อเนี่ยวัตบทั้งเจดเนี่ยมันขาดแคลนมากเป็นสูตรของคนดีเป็นหลักการของคนดีอย่างนึกว่า น่าจะเรียบเรียงออกมาเป็นหนังสือแต่ว่าพอหนังสือเราเขียนเขียนว่าสู่กลุ่คนดีหลักการเพื่อความเป็นคนดีว่าคู่มือคนดีอะไรแต่อะไรก็ตามเนี่ยคนไม่ค่อยอ่านเหมือนหนังสือสมบัติผู้ดีเนี่ยคนไม่ค่อยอ่านก็หนังสือที่คนชอบอ่านเนี่ยถุยมากมันออกมาในแนวของเชิงวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ อ, อะไรแต่อะไรเนี่ย แล้วก็มีฝักไม่ฝ่ายเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาซึ่งว่าที่จริงหนังสือในลักษณะนี้ทําไม่จําเป็นแล้วเนี่ยจะไม่เขียนเนี่ยมันเป็นหนังสือเรื่องนายกยอ่องอย่าเหยียบย่ําเนี่ยในความรู้สึกจริงๆถ้าพูดจากันรู้เรื่องไงนะพวกนี้ไม่ยอมรับฟังเลยคือฉลาดอยู่คนเดียวเราโง่อหมดเลยคนอื่นง่อหมดเลยลก็ต้องเขียนแต่จริงๆเป็นคนไม่ชอบเขียนหนังสือในลักษณะนั้นเพราะว่า มันกลายเป็นขวักฝ่ายแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็คิดเอาชนะข้าขัตรกันซึ่งมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรในระยะยาวนะฮะแต่เป็นการมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้านี่ก็เป็นหลักการสำคัญที่เราเรียกว่าวัตรบทคือเป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาในชีวิตปัจจุบันในขณะของความคิดเนี่ยจิตใจของตนเองนั่นเอง ท่านฟังทั้ ง, งหลายแตโรูปโภติยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงท่นนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามคอยบุใ์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี